มาบรรยายเรื่องความสุขทุกแง่ทุกมุมตอนที่สโดยพระพรมคุณาพรปออประยุตโตบรรยายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ณวัดยาณเวสส ก, กวันตตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ผม ข, ข้อต่อไปก็เรื่องคุณและโทษของสุขก็บอกแล้วว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยโดยโทั่วไปและจะตรัสไว้ว่ามีทั้งคุณอย่างไรโทษอย่างไรแล้วก็ในเมื่อยังมีคุณมีโทษอย่างนี้เราจะมีจุดไหนที่ไหนที่จะพ้นไปจากข้อดีข้อได้เหล่านี้ก็คือพัฒนาต่อไปนั่นเองวิธีนี้จะทําให้พัฒนาต่อไปเรื่อย พอเราไปถึงจุดหนึ่งอา้าวยอมรับมีดีนี้เอ๊ะแต่ยังมีข้อด้อยข้อเสียนี้อา้าวแล้วทางออกอยู่ไหนอา้าวก็พัฒนาต่อไปพอไปถึงอันนั้นก็เออข้อดีอันนี้ข้อด้อยอันนี้อา้าแล้วที่ไหนจะพ้นไปได้ไปต่ออย่างเงี้ยวิธีพัฒนาอันหนึ่งนะก็คือว่ารู้ข้อดีข้อด้อยและทางออกอัศทะอาทีนวะและนิสรณนะสามอันเนี้ยไปเรื่อยเลยจะเดินหน้าไปเรื่อยทํางานทําการอะไรก็ต้องคอยดูระนี้ไว้ จะมีการพัฒนาได้เรื่อยอย่าไป น, นึกว่าอะไรต่อะไรมันสมบูรณ์แล้วก็เลยหลงเมาเลยก็เสียอีกอันนี้ความสุขเนี่ยในแง่เป็นคุณน่ยอันที่เห็นชัดๆก็คือสุขปะปทัฏฐานโนสมาธิสมาธิมีสุขเป็นปทัฏฐานก็คือสุขเนี่ยเป็นปัฏฐานท่านเรียกว่าเป็นเหตุใกล้ของสมาธิคนที่จะบาเพ็ญสมาธิเนี่ยต้องให้เกิดสุข แต่ว่าสุขก็อย่างที่ว่าแล้วนะต้องเป็นสุขที่พัฒนากันขึ้นมาพอมีสุขแล้วก็จิตมันก็จะสงบสุขแปลว่าคล่องแปลว่าสะดวกแปลว่าง่ายมันไม่มีอะไรบีบคั้นไม่ต้องดิ้นรนมันก็สงบพอสุขก็สงบพอสงบสมาธิก็มาได้เลยมาง่ายเพราะนั้นสมาธิต้องอาศัยสุข เป็นหลักเลยว่าสุขเประทัจฐานโนสมาธิสมาธิมีสุขเป็นประทัตฐานเพราะนั้นสุขก็มีคุณมากแล้วก็สุขก็เป็นอาการของชีวิตที่มีคุณภาพแม้แต่พระอาหารหันต์เนี่ยท่านก็ยังมีทิฏฐธรมมสุขวิหารเวลาไม่ต้องทำอะไรก็สุขวิหารเดียวปกติก็มักจะอยู่ได้ชานก็เป็นเรื่องของการที่อยู่อย่างเป็นสุขคือให้อยู่เป็นสุข อันนี้ไม่จําเป็นต้องพูดมากละเอาพูดถึงโทษบ้างคุณของสุขก็มีแต่โทษของสุขก็มีโทษของสุขหนึ่งก็ทําให้ประมาทง่ายมัวเมาลุ่มหลงพอคนสุขโดยเฉพาะการมาสุขเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่จะลุ่มหลงมัวเมาสยบติดแล้วก็ประมาท พอสุขแล้วทีนี้ก็ไม่อยากกระตือรือร้อนทาอะไรแล้วก็เลยขี้เกียจแล้วก็เฉยชาเลยกลายเป็นคนอ่อนแอเพราะนั้นคนที่สุขเนี่ยแล้วถ้าไม่มีสติระวังตัวเนี่ยจะประมาทแล้วก็อ่อนแอเฉยชาแม้สมาธิที่มีสุขเป็นมาตรฐานก็มีโทษในแง่นี้ด้วยสมาธิอว่าเป็นภาษาบาีเนี่ย สมาธิเนี่ยเป็นโกสัจฉปักขะเป็นพวกเดียวกับความขี้เกียจท่นานบอกงั้ น, นสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าสมาธิเป็นพวกกันกันกบความขี้เกียจโกสัจฉเอาความเกียจคร้านแต่ในเวลาเดียวกันมันเป็นโพธิปักขียะด้นนะอยู่ในโพธิปักขียธรรมสามสิ็ประกาศสมาธิก็อยู่ในชุดนั้นเป็นธรรมในฝักฝ่ายห่งการตรัสรู้ในฝ่ายตรัสรู้โพธิ ก็ต้องอาศัยสมาธิสมาธิก็อยู่ในพวกทำไฟโพธิตรัสรู้ด้วยแต่ว่ามันก็อยู่ในพวกของโกศรรชะด้วยเพราะฉะนั้นเวลามองธรรมะเนี่ยจะไปมองแง่ดีอย่างเดียวนะแง่เสียมันก็มีเพราะะนั้นสมาธิปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยก็ทําให้เกิดความเกียดคร้านเพราะฉะนั้นถ้าถึงต้องระวังให้สติคอยระวังดูไว้ว่าตอนนี้ได้สมาธิแล้ว เขวไปทางเกียรติค้านหรือเปล่าช่วยชาไหมติดไหมเนี่ยพอติดสมาธิเพลินกัสุขไปไม่ได้แล้วเป็นประมาทไปแล้วก็พวกสุขนี้ก็มีโทษมากในเรื่องเนี้ยประมาทไม่เฉพาะคนน่ะคนไหนพอสุขสบายแล้วเริ่มชักจะมีความโน้มเอียงขี้เกียจเนีไม่ค่อยกระตือรือร้นแลก็เลยประมาทแล้วก็เลย ต้องรู้จักใช้ให้เป็นแต่ว่าสุขเนี่ยก็มีหลายระดับที่ว่าก็ต้องแยกว่าเป็นคุณโทษของสุขระดับไหนความสุขที่ท่านเน้นเรื่องโทษมากก็คือเรื่องการมสุขกรรมสุขเรื่องสุขจากอามิชฌกัณวัตถุที่แสวงหามาเสพเนี่ยที่ได้เอาเพื่อตัวเองเนี่ยมันมีโทษมากอย่างไรที่จำเป็นจะต้องเอาศีลห้ามาคุมก็คือเป็นเหตุของการแย่งชิง เพราะว่าสิ่งที่จะมาสนองให้เกิดความสมปรารถนาเนี่ยมันอยู่ข้างนอกแล้วมันก็ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของมนุษย์เพราะฉะนั้นต่างคนต่างต้องการและให้ได้มากที่สุดก็ขัดแย้งกันก็แย่งชิงกันเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนกันในสังคมอันนี้ก็เป็นโทษประการทีหนึ่ง และการที่เบียดเบียนกันในใจนั้นก็มีโทษก็คือความไม่รู้จักพอไม่อิ่มไม่เต็มสักทีงและยิ่งได้มากต่อไปก็ยิ่งอยากได้มากยิ่งขึ้นที่เคยได้ดีกรีและปริมาณเท่านี้เคยสุขต่อไปได้เท่านั้นไม่สุขแล้วชินชาชินชาและกลายเป็นว่าไอ้ที่เคยทําให้สุขก็กลายเป็นเบื่อหน่ายที่เคยทําให้สุขกลายไปทําให้ทุกข์เพราะมันกลายเป็นเบื่อแล้วแต่ก่อนนี้ ไม่มีเงินสักบาทเดียวหาเงินได้พันหนึ่งวันละพันบาทแม่มีความสุขเหลือเกินนะต่อไปหวังบอกว่าถ้าได้วันละแสนบาทนี่ต่อไปไม่ต้องเอาอะไรและสบายมีความสุขเต็มที่แหละเกิดได้วันละแสนบาทขึ้นมาจริงๆตอนแรกก็สุขเหลือเกินสุขยินดีปราบปีดาปราโมทเต็มที่เลยแต่ตอนนั้นน่ะมีสองอันเกิดขึ้นหนึ่งก็คือ ถ้าวันไหนเกิดได้พันบาทไอ้ที่เคยได้แล้วมีความสุขทุกเลยใช่ไหมไอ้ที่เคยได้แล้วเป็นสุ ข, ขก็กลายเป็นทุกข์ไปแล้วทีนี้ต่อมาไอ้ที่ได้แสนน่ะชินชาเบื่อแล้วอยากได้ล้านแหละทีนี้ก็จะขยบเลื่อยไปไม่รู้จักจบอย่างที่พระเจ้าจักบอกว่ า, วาแม้แต่ในระมิตภูเขาให้เป็นทองคําทั้งลูกก็ไม่พอแก่ความปรารถนาของบุคคลผู้เดียวเพราะั้นมันก็ไม่รู้จักจบอะ เรื่องนี้ท่านก็จะเล่าไว้มากหมายความความต้องการของมนุษย์เนี่ยไม่รู้จักสิ้นสุดความอยากไม่มีที่จบสิน้นนี้มันก็กลับมาเป็นเหตุของการเบียดเบียนกันมากขึ้นแล้วตัวเองก็ยิ่งทุกข์ลำบากยิ่งขึ้นแล้วพร้อมกันนั้นความทุกข์จากความเบื่อหน่ายชินชาก็มาด้วยแล้วจากการที่ไม่รู้จักพอแล้วตามหาแสวงหาวิ่งไล่ตามหาความสุขอยู่เรื่อยเนี่ย ต่อไปจะเกิดภาวะอันหนึ่งก็คือว่าการเป็นคนที่สุขได้ยากแต่ก่อนนี้ได้อะไรนิดหน่อยก็สุขแล้วเห็นอะไรนิดหน่อยก็สุขต่อไปชินชาเบื่อหน่ายหมดจะต้องได้อย่างที่ปรารถนาที่มากมายหรือล้นจึงจะสุขได้ต่อไปก็สนองความต้องการไม่ได้สักทีก็วิ่งไล่ไม่ทันความสุขแล้วก็เป็นคนที่สุขได้ยากพราะเป็นคนที่สุขได้ยาก ก็จะมีภาวะตรงข้ามก็ทุกได้ง่ายแต่ก่อนนี้ทำอะไรท่อะไรก็ไม่เคยทุกต่อไปนี้ทะไรนิดเดียวหรือขาดไรนิดเดียวไม่แด่อะไรอย่างนนิดเดียวทุกหมดเป็นคนที่ทุกได้ง่ายสุกได้ยากมันขัดกับการพัฒนาตรงข้ามสวนทางการพัฒนามนุษย์ที่พัฒนาแล้วมันต้องสุกได้ง่ายขึ้นทุกได้ยากขึ้นใช่ไหมเอ้ยฉันสุกได้ง่าย เจออะไรนิดหน่อยก็สุขแล้วจะทำให้ฉันทุกข์ในยากต้องบอกว่าเอ้ยใครจะมาทำให้ฉันทุกข์ยากนักเหนนแต่นี่มันกลายไปว่าสุขได้ยากเหลือเกินทุกข์ได้ง่ายแล้วเด็กสมัยนีย้มีลักษณะอย่างนี้มากเพราะว่าความเจริญของเทคโนโลยีเนี่ยมาสนองความต้องการแบบนี้ทำให้กลายเป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายสุขได้ายากนั้น จะต้องเตรียมใจยิ่งวัตถุมากความสะดวกสบายมากเนี่ยเราจะต้องเตรียมฝึกขนพัฒนาคน mm hmm. เพื่อจะให้เขามีความสามารถที่จะมีความสุขคือมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่จะมีความสุขเราจึงพัฒนาเขาได้แต่เมื่อมนุษย์มัวแต่วิ่งแรนหาความสุขจากการเสพภายนอกเขาก็ทำให้ตัวเขาเองสุขได้ยากขึ้น แล้วก็ไม่พัฒนาศักยภาพในการที่จะมีความสุขเมื่อไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขกลับกลายเป็นศูญย์เสียความสามารถที่จะมีความสุขหมดความสามารถที่จะมีความสุขเพราะนั้นอย่าลืมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้มันเป็นหลักสำคัญเมื่อเราเติบโตขึ้นมีชีวิตพัฒนาขึ้นเราก็ต้องมีความสามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นมันจึงจะดีมื่อไงแล้วก็ไม่มีทางจบ ตัวเองก็ไม่จบทุกข์ก็ขยายสุขก็ยากขึ้นแล้วก็ต้องเบียดเบียนกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นโลกนี้ก็ต้องเดือดร้อนอย่างเงี้ยกาพัฒนาความสุขให้ถูกซะมันก็แก้ปัญหาไปในตัวทุกอย่างมันก็มาด้วยกันนะธรรมะต่างๆมาด้วยกันมันเนื่องถึงกันหมดเป็นอันว่าเรื่องกามาสุขเนี่ยก็มีโทษมากอย่างที่ว่าแล้วก็เป็นเหตุให้ทําชั่วอื่นๆเพราะาต้องการหวังกามาสุขในระบบเงื่อนไขก็เลยทําความชั่วนั้นนี้ไป เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการทึ่งมันไม่ได้เป็นไปนตามเหตุปัจจัยที่ตรงไปตรงมาที่มันเป็นเรื่องที่ว่าต้องการสิ่งที่ดีงามทําเหตุที่ดีงามมันก็ได้ผลอย่างนั้นนั่นเป็นระบบฉันทะตรงนี้ก็แปลว่าเรื่องคุณกระโทษของสุขนี่ก็เอาแค่นี้ก่อนเอาพอเห็นแนวทางก็ระวังว่าสุกระยับประมาทแล้วก็อย่าอ่อนแอ ทีนี้ในแง่ทุกทุกนี่เราไม่ชอบมันเป็นสิ่งที่บีบคั้นอึดอัดติดขัดบีบคั้นขับข้องอันนี้คือความหมายของทุกพอเจอทุกข์ขึ้นมันก็ไม่ชอบใจแต่คนมีโยนิสมรสิการก็จะได้ประโยชน์จากทุกทุกนี่ทาให้ดิ้นหล่นเพราะมันบีบคั้นพ อ, อยากจนข้นแค้นไม่มีจะมวนนั่งจับเจา้า แล้วก็ทุกอ์อยู่ในนั้นเน่ยทับถมตัวเองพอทุกมันก็บีบคั้นให้ดินร่นเหมือนกับระบบแข่งขันนี่ก็คือระบบเอาทุกขมาบีบและคนก็จะดินเมื่อดินรนมันก็เข้มแข็งมันก็ไม่ประมาทไปในตัวแต่เป็นไม่ประมาทเทียมไม่ประมาทที่ไม่ได้เกิดจากปัญญาแต่ก็ยังดีถ้ามนุษย์เต็ไมไปด้วยความประมาทเนี่ยบางทีผู้นําสังคมก็ต้องเอาไอ้ความไม่ประมาทเทียมนี้มาใช้ เพื่อให้คนเนี่ยได้ลุกขึ้นมากระตือหรือล้นขนขวายบ้างไม่งั้นแกก็จะประมาทนอนจับเจา้านอนคุดคู่อะไรต่างๆ <force. S 1> ก็แปลว่าเราจะต้องให้คนรู้จักใช้ประโยชน์จากความทุกข์ก็คือว่าทุกบีบคั้นให้ได้หล่นขนขวายก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งและเพราะการที่เรามีทุกข์ก็คือเกิดปัญหาเกิดปัญหาก็ทำให้เราแก้ไขปัญหาในการแก้ไขปัญหาเราจะพัฒนาตัวเอง พัฒนาที่หนึ่งก็คือพัฒนาปัญญาแก้ปัญหานี่กว่าจะแก้ปัญหาเสร็จเราก็ได้ปัญญาเยอะแล้วก็การพัฒนาด้านกายด้านจิตใจด้านพฤติกรรมอะไรๆก็มาหมดโมก็จริงจะผ่านไปได้ออนั้นทุกก็เป็นประโยชน์ได้ก็จะต้องเอาประโยชน์จากทุกฉะนั้นถ้าจึงมีหลักว่าคนมีปัญญาสามารถมีความสุขได้แม้ในทุกข์ั้น ก็แม้ในทุกก็ต้องมีความสุขได้ด้วยแล้วก็เอาประโยชน์จากทุกให้ได้อันนี้จึงจะดีเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็เลยมาข้อว่าวิธีปฏิบัติต่อความสุขวิธีปฏิบัติต่อความสุขนี่เอาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยมีพระสูตรหลวงพระุทธเจ้าตรัสวิธีปฏิบัติต่อความสุขไว้เชื่อเทวทาธสูตรก็เป็นสี่ข้อง่ายๆ อาวหนึ่งหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์คนเราเนี่ชอบเอาทุกข์ทับถมตนก็ไม่ได้เป็นทุกข์ก็อยู่ดีๆแล้วเอาทุกข์มาใส่ตัวถ้าตัวอย่างง่ายๆกับคนกินเหล้ า, าเอายาเสพยาเสพติดก็ตัวเองก็อยู่ดีๆแล้วไปเอาอสิ่งเหล่านั้นมาใส่ตัวเองให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาขึ้นมาหรืออย่างทางจิตใจ บางคนก็เทียวเก็บอารมณ์อะไรต่างๆกระทบ ก, กระทั่งนิดๆหน่อยๆแล้วพอไปนั่งเงียบก็เอามาคิดเอามาปรุงแต่งแล้วก็ไปทุกข์ใจเศร้ามองขุนมัวไม่สบายใจทางพระท่านก็บอกว่าถ้าปรุงแต่งไม่ว่าปรุงแต่งให้ดีอย่าเป็นปรุงแต่งไม่ดีปรุงแต่งไม่ดีถ้าเรียกว่าอปุญญาภิสังขารก็กลายเป็นปรุงแต่งทุกข์ คนเรานี่ก็เก็บอารมณ์ต่างๆาทางหูได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เห็นคนนั้นคนนี้ทําอันนั้นอันนี้ได้ยินเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เก็บเอาไปอย่างที่ว่าพอไปนั่งเงียบก็เอาคือมาคิดมาปรุงแต่งก็ทุกตัวเองอย่างนี้ก็เป็นการทับถมเอาทุกทับถมตนอย่างหนึ่งนั้นท่านก็ให้เปลี่ยนให้มีสติกั้นเหมันซะแล้วก็ ปรุงแต่งดีๆปรุงแต่งจิตใจให้มีปราโมทปิติประสัทธิอยู่อย่างที่ว่านั่นแหละก็จะแก้ปัญหาไปหรืออย่างในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าตรัสถึงพวกนิครณที่บำเพ็ญต บ, บะเอาทุกทับถมตนจะโกนผมเขาก็ไม่โกนแล้วเขาใช้เอาครีมหรืออะไรแหนบมาถอนผมทีละเส้นจนหมดศีรษะอันนี้ก็เรียกว่าบำเพ็ญต บ, บะ หรือเตียงเขามีดีๆก็ทรมานตัวเองซะเอาตะปูไปตอกๆๆแล้วก็นอนบนตะปาานูนอนบนหนามสมัยก่อนนี่นอนบนหนามหรืออดข้าวอดน้ําเวลาหนาวก็ไปยืนแช่น้ำในกลางเป็นน้ำเวลาร้อนก็นมายืนกลางแดดน mm hmm. บำเพ็ญต บ, บะอันนี้พทธเจ้าตรัสว่าเป็นการเอาทุกข์ทับสมตนที่ไม่ได้เป็นทุกข์แต่นี้สําหรับ ตัวอย่างปัจจุบันเราก็นึกเอาเองตัวอย่างก็เอาตามหลักนีว้ว่าไม่เอาทุกทับถมตนที่ไม่ได้เป็นทุกสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำถ้าสุขนั้นเป็นสุขที่ชอบทำท่านก็ไม่ได้ให้ละทิ้งต่อไปข้อที่สามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่ให้สยบว่าเป็นขันข้นๆสุขที่ชอบทำไม่ละทิ้งเราก็มีความสุขอย่างนั้นได้ แต่ว่าอยัดสยบแม้ในสุขที่ชอบธรรมก็ไม่สยบไม่หลงติดไม่มัวเมาไม่หมกบุนอย่าเสียอิสรภาพต้องยังมีอิสรภาพอยู่แล้วมันจะได้เข้าต่อไปข้อต่อไปก็เพียนกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิน้นหมายความอะไรที่จะเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็กำจัดให้หมดซะถ้ามันอยู่ในตัวเราอย่างพวกกิเลสแก้มันซะมันจะได้ไม่ต้องมีทุกข์ต่อไปมันก็จะถึงขั้นจบสิน้นอันนี้ก็จะ ถึงสุขที่บริบูรณ์หรือจะพูดอีกสำนวนหนึ่งข้อ4ี่ก็บอกว่าเพียนพัฒนาความสุขที่ยิ่งขึ้นไปเพียนปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่สูงขึ้นไปก็เป็นสี่ข้อเนี่ยก็เป็นวิธีปฏิบัติต่อความสุขที่ท่านตรัสไว้ให้แล้วอันนี้ถ้าเราพูดง่ายๆก็คือทั่วไปก็คือว่าเรื่องการปฏิบัติต่อความสุขเนี่ยที่ต้องระวังหนึ่งอย่าให้เกิดความประมาท ความสุขนี่มันชวนให้เฉื่อยชาประมาทอย่างที่ว่ามัวเมาลุ่มหลงแล้วดูสิอารยธรรมสังคมที่ประสบความสําเร็จรุ่งเรืองขึ้นมาแทบทุกสังคมอะพอเจริญงองามถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็จะเป็นจุดจบสลายจบสิ้นของอารยธรรมนั้นในปรติศาสตร์ก็จะเป็นมาแบบเนี้บางทีครอบครัวก็เหมือนกันเนี่ย ครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องไม่ประมาทถ้าลูกได้รับการบำรุงบำรเทอมากเกินไปบางทีเดี๋ยวเละต่อไปก็อ่อนแอลุ่มหลงประมาทแล้วครอบครัวนั้นก็เสือ่อมคนก็เหมือนกันคนตอนแรกก็มีความเพียรพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างดีแต่พอมีความสุขดีแล้วทีนี้หลงมัวเมาประมาทไปอีกนั้นจึงต้องระวังว่าในความสุขนั้นอย่าได้ประมาท หมายความว่าในความสุขเราก็ไม่ประมาทในทุกขเราก็เอาประโยชน์ได้ก็ต้องไปคู่กันอย่างเนี้ยหนึ่งก็แปลไม่ประมาทสองก็ใช้เป็นโอกาสเมื่อกี้นี้เราทุกข์อึดอัดบีบคั้นคับข้ขบของทําอะไรมันก็ยากไปหมดมันต้องใช้ความเพียรมากเอ้อมันก็ดีไปอย่างมันยากมันติดขัดเราก็เพียรพยายามมากมันก็ดีไปแง่หนึ่ง ทีนี้สุขก็ดีไปแง่หนึ่งมันคล่องมันสะดวกจะทําอะไรก็รีบทำนั้นถ้าสุขมาแล้วรีบใช้เป็นโอกาสเพราะมันคล่องมันสะดวกมันง่ายจะทําอะไรก็ทำซะทีนี้ก็ยิ่งดีใหญ่โตลงไม่ว่าสุขก่าทุกมาฉันได้ประโยชน์หมดแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องอย่างเงี้ยก็คือหลักโยนิโสมันสิการไม่ว่าดีว่าร้ายฉันเดาประโยชน์ได้หมดสุขมาเออดี คราวนี้คล่องสบายง่ายสะดวกและทมเต็มที่เลยทุกมาก็เออดีตอนนี้ฉันสู้เต็มที่ฉันจะได้เพียรพยายามเข้มแข็งกันใหญ่เอางั้นนะดีทางนั้ น, นอ้าวต่อไปทีนี้หนึ่งก็ไม่ประมาทสองก็ใช้เป็นโอกาสสามก็ไม่พึ่งพาไม่พึ่งพาไม่ขึ้นตอมันหมายความว่าสุขเนี่ยเราต้องไม่ขึ้นตอมันไม่สยบ บางคนกลายเป็นติดแล้วต้องพึ่งพาความสุขนั้นเราต้องเป็นอิสระต้องรักษาอิสรภาพไว้แล้วเราจะได้ก้าวหน้าพัฒนาต่อไปได้เพราะเพราะไม่พึ่งพาแล้วก็ข้อต่อไปพัฒนาต่อไปก็พัฒนาสู่ความสุขที่สูง ข, ขึ้นไปนี้มันก็มีทางเดินหน้าสุขไปด้วยแล้วก็พัฒนาไปด้วยแล้วในพัฒนานั่นก็สุขไปอีกแล้วก็ไปถึงสุขที่สูง ข, ขึ้นไปอีก <c oughs> ก็เป็นกระบวนการของความสุขทั้งหมดเลย ทางในการพัฒนาความสุขก็มีแต่ความสุขตลอดเอาละเรื่องวิธีปฏิบัติต่อความสุขก็ขอผ่านไปก่อนวันนี้คิดว่าจะจบได้ไวกว่าที่คาดหมายเอาเป็นหัวข้อใหญ่ๆไวเลยอันนี้ต่อไปก็พูดถึงลักษณะของความสุขอย่างสูงสุดเข้าไปบรรจบกับตอนแรกที่พูดไว้บอกว่า ในพุทธศาสนาบอกว่านิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขที่สูงสุดแหละอ้าวในเมื่อเราพูดถึงสุขสูงสุดก็มาถึงตอนนี้เราก็จะพูดว่าม่อพัฒนาความสุขไปถึงสวามสุขสูงสุดเนี่ยความสุขสูงสุดนั่นจะมีลักษณะอย่างไรก็ลักษณะง่ายๆที่มองเห็นจะเรียกว่าข้างนอกก็ได้ข้อหนึ่งก็คือมีลักษณะที่ไม่ต้องหาไม่ต้องหา มีอยู่ภายในเป็นคุณสมบัติของตัวเองก็มีอยู่ในตัวแล้วเนี่ยเหมือนอย่างพระพจ้เจ้าเสด็จไปไหนจะไปนั่งนอนกลางดินกินกลางทรายอะไรก็มีความสุขเพราะเป็นความสุขเป็นคุณสมบัติของตัวเองไม่ต้องหาแล้วอั น, นี้สองก็เป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งอื่นเป็นสุขที่อยู่กับตัวเองเป็นอิสระ เป็นอิสระเป็นไทยกับตัวเองพรา ก, กามาสุขนี้เป็นสุขที่พึ่งพาเต็มที่แล้วปัญหาก็เพราะมันเป็นสุขที่พึ่งพาเป็นสุขที่ขึ้นต่อสิ่งอื่นไม่เป็นอิสระกับตัวเองอย่างรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเราต้องขึ้นดอมันดัง น, นั้นจะมีสุขได้ก็ต้องขึ้นดอมันแล้วก็เลยเป็นเหตุของการเบียดเบียนกับผู้อื่นขัดแย้งกันแต่ทีนี้ถ้าพัฒนาไปความสุขที่เป็นอิสระก็มีขึ้นก็เป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งพา 1. ก็ไม่ต้องหามีในตัวสองไม่ต้องพึ่งพาเนี่ยเป็นอิสระแล้วก็สมก็มีลักษณะที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือไม่มีทุกแฝงไม่มีอะไรค้างคาระขายคนในโลกจำนวนมากพระบอกมีความสุขแต่ลึกเข้าไปนั้นยังมีทุกขหรือมีเหตุขขแห่งทุกแฝงค้างคาระขายอยู่ทำให้สวยสุข เหล่านั้นไม่ได้เต็มทีอันนี้ถ้าสุขเต็มที่แล้วเนี่ยหมดเหตุแห่งทุกข์ในตัวแล้วก็แปลว่าเป็นสุขสมบูรณ์ไม่มีทุกข์แฝงเมื่อไม่มีทุกข์แฝงไม่มีอะไรกระขายใจจะเสวยสุขอื่นอะไรก็ได้เป็นความสุขในตัวด้วยและทำให้พร้อมที่จะเสวยสุขอื่นด้วยเหมือนอย่างพระอาหารหันต์ก็มีสุขประเภทสมบูรณ์นี้ด้วยสุขอยู่ตลอดเวลาเป็นคุณสมบัติพร้อมกันนั้น ท่านก็สเสวยสุขอื่นได้อย่างเต็มที่เช่นท่านสเสวยชาณสุขก็เป็นสุขประเภทหนึ่งพระลาหลานอยู่บางวันไม่มีอะไรทำท่านก็เข้าชาดสีเอาชาดสีเน่เป็นทิฏฐธรรมะสุขวิหารอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วเวลาท่านสเสวยชาดท่านก็สุขเต็มที่จากชาดเพราะไม่มีอะไรแฝงระขายในใจอย่างมนุษย์บุตรชนนี่ ก็ยังมีเชื้อแห่งทุกแฝงอยู่ในใจได้ฌานได้อะไรแต่อะไรก็ยังมีเชื้อทุกอยู่อันนั้นนี่เป็นความต่างอันหนึ่งย้ำอีกทีว่าสุขสูงสุดนี่ก็สมบูรณ์เป็นความสุขในตัวด้วยทําให้เกิดความพร้อมที่จะสวยสุขอื่นได้เต็มที่เมื่อเป็นผู้พร้อมจะสวยสุขอะไรก็ได้แต่ว่าในมาคัททิยสจจกกุนั่นแหละพระพุทธเจ้ากล่าวบอกถ้าเราไม่บรรลุสุขที่ประณีตสูงนี้ เราก็รับประกันตัวไม่ได้ว่าเราจะไม่หวนกลับมหากามาสุขแต่พอเราได้เข้าถึงความสุขที่ประนีตนี้แล้วถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับผู้ใหญ่มาเห็นเด็กเล่นขายของก็เลยไม่รู้สึกว่าจะมีความสุขในการที่จะตองของเงินที่ไม่เฉยสุขนั้นไม่ใช่เพราะว่าทำไม่ได้แต่เพราะว่าจิตใจเป็นไปเอง มันเป็นพัฒนาการในทางความสุขในเรื่องของจิตใจที่จะมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าท่านมีความพร้อมที่จะสวยสุขได้อย่างไม่มีรักขายเครืองใดๆทั้งสิ้นเป็นสุขที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์สุขตลอดเวลาเพราะว่ามีประจําตัวพอมาถึงนี่แล้วในเมื่อไม่มีอะไรข้างคารักขายหนึ่งก็คือจะสวยสุขอะไรก็ได้แล้วแต่ก็จะได้เต็มที่เป็นแต่ว่าพัฒนาการมันจะเป็นไปเอง ที่จะไม่ไปเสวยสุขอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเข้าถึงสัมผัสสิ่งที่จะทำให้ความสุขได้ทันทีเหมือนอย่างพระอาหารหันต์ท่านไปภูเขาท่านไปในป่าท่านสัมผัสธรรมชาติท่านก็มีความสุขทันทีไม่เหมือนคนที่ยังมีทุกมีเชื้อทุกอยู่เข้าไปในที่ที่น่าจะมีความสุขไอตัวความกังวลใจความอะไรต่างๆความห่วงอะไรต่อะไ ร, ไรมันก็ตามไปละคา รังควาใจมันก็สุกไม่ได้เต็มที่นั้นพระอรหันต์ในสภาพแวดล้อมทั่วไปก็มีแต่สิ่งที่มาเสริมสุขจนกระทั่งถึงว่าแม้แต่สิ่งที่ไม่เอือ้อก็เป็นที่รื่นรมได้หมดอย่างที่ยกเป็นคาถาว่าคาเมวายะิวารัญเยนินเนวายติวาทะเลยัทะอรหันโตวิหารติตังภูมิรามณีกังที่บอกว่า ไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มไม่ว่าที่ดอนท่านผูกไกลกิเลสอยู่ที่ไหนที่นั้นไซเป็นภูมิสถานอันรื่นรมหมดเลยพระอรหันต์ท่านไปอยู่ที่ไหนรื่นรมได้หมดท่านสามารถมองสิ่งปฏิกูลและใจสบายก็ได้มีอำนาจเหนือสัญญานี่ก็เป็นเรื่องของความสามารถเรื่องของความสุขที่ว่ามันเป็นไปเองในการพัฒนามนุษย์การปฏิบัติธรรม ถ้าปฏิบัติถูกแล้วความสุขมันจะเลื่อนขั้นพัฒนาไปอย่างเงี้ยจะกระทั่งวัยไสุขสมบูรณ์ธรรมะอื่นก็สมบูรณ์ด้วยเป็นไปเองแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นเราจะพูดพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนาความสุขก็ได้จะพูดว่ากระบวนการกำจัดทุกข์ก็ได้จะพูดว่าอะไรก็พูดได้มันก็เป็นแง่ความหมายที่มันมาโยงถึงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งตอนนี้จะ ย้อนเวียนกลับมาคือพอพัฒนาตนสมบูรณ์มีความสุขทีสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็หมายความว่าอะไรอะไรทุนสมบัติอะไรมันก็สมบูรณ์หมดปัญญาก็สมบูรณ์รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายวางใจแตสิ่งทั้งหลายถูกต้องหมดพออย่างนี้แล้วท่านเรียกว่าเป็นกระตังกรณีอย่างเป็นผู้ที่ทําสิ่งที่ต้องทําเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรต้องทําเพื่อให้ตัวเป็นอย่างนี้อีก จะทำอะไรเพื่อให้ตัวเป็นสุขก็ไม่ต้องทำแล้วแม้แต่จะฝึกตนเพื่อให้พัฒนาในชีวิตในการศึกษาอะไรก็ไม่ต้องทำแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปเป็นอันว่าพระอราหันต์นี้มีลักษณะอย่างหนึ่งคือไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปเพราะตัวเองมันสมบูรณ์ครบแล้วคราวนี้ยังไงคราวนี้ก็ชีวิตที่มีอยู่เรี่ยวแรงพลังงานที่มีอยู่ก็ทำเพื่อโลก แล้วตอนนี้จึงมาบรรจบกันก็คือบุคคลนิพพนนานคนที่พัฒนาสูงสุดหมดกิเลสมีความสุขสมบูรณ์แล้วก็ใช้คำสั้นๆว่านิพพาน <Yeah. S 1> พราะบุคคล น, นิพพานทีนี้ก็ทำการเพื่อโลกนิคติพุทธสันนะ่ะจะพูดสั้นๆว่า ง, งี้นะอุ ด, ดมคติบุคคล น, นิพพานทำการเพื่อโลก พระบุคคลนั้นที่ผ่านไว้มีกิเลส ก, ก็เหลือและความสุขกสมบูรณ์ไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองเพราะนั้นก็ทำเพื่อโลกอย่างดีเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอรหันต์ตอนที่ทรงภาษาภกไปประกาศาศาสนาตั้งต้นแต่มีภาษาวพหกสิองค์อะได้เป็นเจวักคีแล้วก็พระอือดว่าได้หกสิองค์มีพญสระกับเพื่อนเลยพระเจ้าก็ตรัสบอกว่าอ้าวว่าภาษาบาลีหน่อยอย่าเพิ่งเบือ่อ มุตตาหังพิกเวสัพพ า, าเสหิเยทิพาเยจมามนุสสาตุมเหภิพิกเวมุตาตาสัพพ า, าเสหิเยทิพาเยจมามนุสสาภิกษุทั้งหลายเรานี้พ้นแล้วจากบ่วงผูกรัดทั้งปวงทั้งบ่วงทิพและบ่วงมนุษย์เธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกันพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพของมนุษย์ก็หมายความว่า จิตใจเป็นอิสระสมบูรณ์แล้วเป็นบุคคลอิสระเสรีที่แทจริงท่าเรียกคนอย่างเงี้ยท่าเรียกว่าเสรีที่แทนนะไม่ใช่เสรีทําตามชอบใจคือเสรีจากกิเลสนี้เป็นคนเสรีจริงๆและพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่ะฉะนั้นจะรัฐภิกเเวจาริกัพรพุชนาอิตายะพะูชนสุขายะโลกานุกามปายะเธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พหูชนแก่ชนจำนวนมากเพื่อเกื้อกาลุณแก่ชาวโลกว่างั้นนี่คือคติพระอาหารหันตัวเองหมดกิจต้องทําเพื่อตัวเองแล้วทีนี้ทำเพื่อโลกอย่างเดียวก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้านี่ตกลงว่าตอนที่ปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติรำก็มีทั้งการทําที่ตนเองขัดเกลาตัวเอ ง, เองทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ทั้งสองอย่างนี้นเป็นการปฏิบัติธรรมชิอย่างสูงก็ต้องปฏิบัติเพื่อผู้อื่นมากขึ้นอย่างพระโพธิสัตว์จึงจะสําเร็จนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติตายตัวเองก็พัฒนามากขึ้นแต่ตอนนั้นนะ่ะการทําเพื่อผู้อื่นก็ตามในใจอะไรนะ่ะในแง่หนึ่งก็เหมือนแปลว่าเป็นวิธีการในการพัฒนาตัวเองก็คือยังมีตัวเองที่ต้องฝึกต้องพัฒนาอยู่ทําเพื่อผู้อื่นก็ตาม ปฏิบัติทำอะไรก็ตามก็ยังเพื่อฝึกตัวเองให้พัฒนาตัวเองแต่พอพัฒนาจบแล้วตอานี้ทาเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวเลยตอนแรกคู่กันไปตอนหลังนี้ทาเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่าจบกิจในพระศาสนาก็มาตรงคติที่วาเนี่ยบุคคลนิพพานทำการเพื่อโลก ความสุขในพุทธศาสนาต่อมาก็คิดว่าให้เป็นหัวข้อสําคัญสําคัญเทา่านี้นี่อย่างความหมายของพวกฉันทะอะไรแต่อะไรอย่างไรข้อมูลจากธรมภี์นี่เราค่อยว่าอีกต่างหากเพราะว่าเรื่องนี้บางทีก็ยากเหมือนกันการแยกแม้แต่ว่าเออความอยากเนี่มันเป็นยังไงพุทธศาสนาว่าอย่างไรกับความอยากยังมีการไปเข้าใจผิดแว่าโอ้อยากไม่ได้แล้วเป็นชาวฟุธเลยเนี่ยอันนั้นก็พลาดมาก ทีนี้พอว่าความอยากมีสองอย่างมเป็นกุศลอกุศลแล้วก็ยังแยกไม่ออกอีกว่าฝ่ายอากุศลมันอย่างไรฝ่ายกุศลมันอย่างไรทีนี้ในเมื่อยังมีเวลาเหลืออยู่บ้างเนี่ยก็ถามตอบกันบ้างเลยพอนะโยมมีคําถามอะไรไม่ทราบเวลาเท่าไหร่แล้วด้วยพระโยมยังไม่ติดขัดอะไรจะมีอะไรถามก็ถามได้ แต่ว่าต้องให้ชัดนะเรื่องความหมายฉันทะเนี่ยอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยเป็นจุดเริ่มที่จะก้าวเลยถ้าจับอันนี้ไม่ได้แล้วก็ยากมีใครสงสัยไหมเรื่องฉันทะเราจะชัดต่อเมื่อมันแยกกับตัญหาก็มาต่างกันอย่างไรคือทำงานอยู่ธนาคารในประเทศไทยนะคะอยากจะถามว่าฉันทะในการทำงานเป็นอย่างไรคะ เคยพูดกับพระพระท่านถามบอกว่ามีคนมาสมัครงานก็สัมภาษณ์ถามคุณชอบงานนี้ไหมล่ะคำว่าชอบเนกกรรมกลมนะชอบชอบทึงเงินเดือนดีจะได้เงินมากๆทำงานสบายไม่ต้องหนักเหนื่อยงานก็ง่ายสะดวกมีเวลาพักเยอะแล้วก็เงินก็เยอะนี่ชอบแบบนี้นี่ชอบอย่างหนึ่ง ทีนี้อีกคนหนึ่งตอบชอบชอบอยังไงชอบงานนี่แหมมันถูกกาความถนัดความสามารถทำแล้วมันมีประโยชน์ช่วยประเทศชาติสังคมอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นงานที่ดีงามสร้างสรรอย่างนั้นอย่างนี้ชอบเพราะอย่างนี้ น, นั้นคำว่าชอบเนี่ยในทีนี้มันเป็นคำกัมกลวมก็คือก้ำกึ่งระหว่างตันหากรบฉันทะนั่นเองถ้าจะให้ชัดมันก็ต้อง พยายามสร้างความเข้าใจในคําว่าฉันทะเนี่ยให้ชัดขึ้นในสังคมไทยเรียกว่าเอองานเนี่ยคุณมีฉันทะไหมหมายความว่ามันถู ก, กวความถนัดความสามารถมองเห็นคุณค่าประโยชน์อะไรไหมประกอบด้วยปัญญาอะไรต่างๆไม่ใช่ชอบเพียงเพราะว่ามันเงินเดือนดีสบายขี้เกียจได้พักผ่อนเยอะอะไรเงี้ยถ้ามีฉันทะก็อย่างที่ว่าเราทํางานเนี่ยเรารักงานจริงๆ รักงั้นด้วยเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เพราะงานเนี้ยมีประโยชน์อย่างนี้เป็นการสร้างสรรค์ต่อสังคมหรือต่อชีวิตของเราหรือต่อประเทศชาติอะไรก็แล้วแต่ถ้าแม้มันไม่ชัดในเรื่องประโยชน์ต่อสังคมก็ต้องพยายามให้เกิดฉันท่านในแง่ว่ามีคุณค่าในการพัฒนาตัวเราเนี่ยเวลาเราเข้าไปทํางานอะไรเนี่ย คุณค่าอย่างหนึ่งของงานนั้นไม่ว่างานอะไรชอบไม่ชอบเนี่ยมันจะทําให้เราได้พัฒนาตัวเองยิ่งงานยากเราก็ยิ่งไดพัฒนาตัวมากฉะนั้นะคนที่มีชั้นท่าเนี่ยพอปลูกชั้นท่าได้ดีแล้วมีความฝ่ายฝึกปรารถนาในการศึกษาฝ่ในการศึกษาตอนนี้แหละชอบแม้แต่สิ่งที่ยาก อย่างที่คติที่ว่ายิ่งยากยิ่งได้มาจริงไหมล่ะงานยากเรายิ่งได้มาก็คือพัฒนาตัวเองมากกว่างานนั้นจะเสร็จกว่างานนั้นจะเดินไปได้ดีนี่เราพัฒนาเยอะเลยนี่ถ้าเรามองไม่เห็นคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมเป็นต้นก็มองมาในแง่ว่าเราต้องทํากับงานนี้แล้วก็ทําให้เกิดฉันทะในแง่ที่ว่ามันจะทําให้เราได้พัฒนาชีวิตของเราเพราะว่างานนี้ มีความหมายอย่างหนึ่งก็คือเป็นแดนพัฒนาชีวิตของเราเองงานนี้กินเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเช่นวันละ8ปดชั่วโมงนี้เข้าไปหนึ่งในสามของวันแล้วแล้วเราจะเอาอะไรก็ต้องเอากับเวลาแปดชั่วโมงนี้จะให้เสียเปล่าถ้าไปมัวทุกข์ไม่สบายฝืนใจกับงานนี้เราก็แย่ชีวิตเราก็เต็มไปได้วยความทุกข์นั้นเราก็รีบสร้างฉันทาว่าเอองานอย่างเงี้ยเราทําไปเถอะเราจะได้พัฒนาตัวเอง พัฒนาทักษะพัฒนาในการแก้ปัญหาพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตใจในการอดทนในการมีความเพียรในการควบคุมตนมีสติมีสมาธิพัฒนาได้เท่านั้นแหละงานทุกอย่างนั้นอย่างน้อยก็ได้พัฒนาตัวเองถ้ามีชันท่าอย่างนี้ทำงานก็จะมีความสุขขึ้นทำง้นไปเกิดไปทำงานที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจจิตก็อัดอั้น วนเวียนไปมาไม่มีทางออกจิตมันเดินไม่ได้มันก็ทุกข์เท่านั้นแหละจิตที่เป็นทุกข์ก็คือจิตที่มันอัดอั้นเดินไม่ได้วกวนอยู่นั่นแหละพอมันมีทางไปแล้วทีนี้มันสุขแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปประสบปัญหาก็สร้างฉันทะขึ้นมาได้วิธีที่นี้งานทุกอย่างแปลว่ามีฉันทะได้ก็คือว่ามันเป็นโอกาสมันมีคุณค่าที่จะพัฒนาชีวิตของเราพัฒนาตัวเราเราไปอยู่ในงานเราก็ต้องเจอผู้คน พอเจอผู้คนเราก็เป็นโอกาสฝึกตัวเองแล้วเราลองหัดพูดกับเขาสิพูดยังไงจะได้ผลพูดยังไงจะได้ไม่สร้างศัตรูพูดยังไงจะสร้างมิตรพูดยังไงจะทำให้งานของเราสำเร็จเขาจะร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยวิธีปฏิบัติอะไรๆมันเป็นการฝึกตัวเองไปหมดนั้นงานก็เช่นเดียวกับการศึกษาที่จริงงานก็คือสิ่งที่ต้องทาและฉันทามันก็คืออยากทาแล้วก็ อยากรู้อยากทํามันก็คือการศึกษาการศึกษาก็อยู่ที่อยากรู้อยากทําเพราะอยากรู้อยากทํานี่เป็นเนื้อแท้ของการฝึกการศึกษาก็คือการฝึกอยากฝึกก็คืออะไรก็อยากศึกษาอยากศึกษาก็คืออยากรู้อยากทําเมื่อยากรู้อยากทํามันก็เดินหน้าไปเราไปทํางานเราทําได้อยากทําได้ฝึกตัวเองมันก็เป็นการศึกษานั่นแหละที่จริง การเล่าเรียนการทำงานเป็นการศึกษาทั้งนั้นก็คือพัฒนาชีวิตของตัวเองนั่นแหละเพราะการศึกษามันเป็นชีวิตที่จริงนั้นถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วทั้งชีวิตเนี้ยคือการศึกษาและชีวิตนี้ก็คือจริยธรรมด้านที่เป็นการฝึกการศึกษาพัฒนาให้ชีวิตดีขึ้นเราเรียกว่าเป็นด้านศึกษาฝึกแล้วก็ทำชีวิตให้เจริญงอกงามพัฒนาขึ้นไปเป็นศึกษา พอเราดําเนินชีวิตได้ดีตามที่ฝึกก็เป็นจริยธรรมจริยธรรมก็เป็นผลของการศึกษามันคู่กันอยู่คำว่าจริยะในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นชื่อของมรค ก, ก็คือวิถีชีวิตวิถีชีวิตในพุทธศาสนาก็คือมรคมีองแปดอริยวัตถังกิโกมรคโคแล้วมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งว่าอะยะเมวะพิกเวอริยวัตถังกิโกมรคโคพรหมจริ ย, ยันติวุจจติบอกว่า มักมีองค์8ประการอันประเสริฐนี้แหละเรียกว่าจริยะอันประเสริญพรหมจริยะที่เราแปลว่าพรหมจันทร์น่ะก็คือพรหมจริยะจริยะอันประเสริญก็คือจริยธรรมอันประเสริฐเพราะนั้นจริยธรรมที่แท้ที่ประเสริญก็คือมักมี อ, องค์แปดมักมี อ, องค์แ ก, ก็คือวิถีชีวิตมักมี อ, องค์8เกิดได้ยังไงก็เกิดด้วยศิกขาสิกขาการศึกษาส า, สารประการศีสมาธิปัญญาองค์ประกอบมันก็คือมักมี อ, องค์8 เมื่อฝึกดจายศีรษะก็เกิดวิถีชีวิตแห่งมักเพราะฉะนั้นเรามีการศึกษาเราก็มีจริยธรรมที่เป็นไปตามการศึกษานั้นแล้วชีวิตนี้เป็นชีวิตของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้องศึกษาเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็ต้องเป็นชีวิตแห่งการศึกษาแล้วเมื่อชีวิตนั้นดําเนินไปได้ดีมีการศึกษาถูกต้องมันก็เป็นจริยธรรมเป็นในตัวมันก็เป็นเรื่องเดียวกันหมด จะเรียกว่า บ, บูรณาการหรืออะไรก็แล้วแต่ในแง่นี้ก็คือต้องบูรณาการการศึกษาบูรณาการจริยธรรมกับบูรณาการหลักธรรมทั้งหมดหรือการพัฒนาความสุขนี้ให้เป็นเรื่องเดียวกันซึ่งก็คือเรื่องเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องไปแก้ปัญหาจริยธรรมด้วยว่าทําไงจะให้เป็นจริยธรรมแห่งความสุขตราบใดยังเป็นจริยธรรมแห่งความจําใจก็เป็นจริยธรรมแท้จริงไม่ได้ แล้วมันก็ไม่มีทางสำเร็จก็เรียกว่าเป็นจริยธรรมที่ไม่ยั่งยืนไม่รับตอบตรงคำถามหรือเปล่าได้ไหมเลยใครามีอะไรถามมีคำถามต่อไปไหมครับเรียนเชิญแล้วก็กรุณาแนะนำตัวด้ครับพุชื่ออารีนังสีแสงทองนะครับอยากกบเรียนถามท่านว่าแนวทางในการปฏิบัตินะคือบางครั้งที่เรา ได้รับฟังธรรมได้ได้รับความรู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านสุตตามายปัญญากับจินตามายปัญญาและในแนวทางที่เราจะนำธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดกับตัวเราโดยเฉพาะเราเป็นปุถุชนเนี่ยนะฮะจะต้องประกอบกิจการงานนะทีนี้แนวทางในการปฏิบัติคือมีความจําเป็นหรือไม่ว่าเราจะต้องอปฏิบัติตามรูปแบบตามสํานักต่างๆหรือว่าเราจะมีแนวทางในการที่ ปฏิบัติควบคู่ไปกับการทํางานของเราเพื่อให้เกิดความเข้าใจในชันทัที่แท้จริงครับมันก็อยู่ในทุกอย่างปฏิบัติต่อสิ่งนั้นถูกต้องก็เป็นธรรมะปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างน้อยก็ถูกต้องตามเหตุปัจจัยเราจะทํางานให้ใสําเร็จผลเราก็ต้องตามเหตุปัจจัยเข้ามันเราทําเหตุปัจจัยนั้นถูกต้องมันก็เกิดผลตามเหตุปัจจัยนั้นนั่นก็เป็นการปฏิบัติตามธรรมแหละ แต่ทีนี้ว่าธรรมะในกรณีนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ว่าอีกเรื่องหนึง่งบางทั้งเอเรื่องเหตุปัจจัยในกรณีนั้นเป็นอกุศลก็มีเป็นการปฏิบัติธรรมะทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราสงวนคําว่าปฏิบัติธรรมเอาคําว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมเท่านั้นเองเรามุ่งที่เป็นด้านกุศลธรรมเพราะมันทําให้เกิดการพัฒนาถ้าเราไปทําตามธรรมะเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายอากุศลมันไม่พัฒนา ก็เลยมีการปฏิบัติธรรมให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาอันนี้ข้อสําคัญก็คือเราจะต้องรู้จักใช้ธรรมะให้ถูกต้องในแต่ละกรณีเช่นอย่างว่าเราทําอะไรมีสติแค่นี้เราก็ปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมสติสัพพัทธปฏิยาว่าคุณสติเป็นสิ่งจําปรารถนาในทุกกรณีเงี้ยเราทําอะไรเราก็ต้องมีสติ พอเราเดินมีสติเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องอะไรมากหรอกคุณคุณเดินเนี่ยคุณก็ปฏิบัติธรรมแล้วหรือเรานั่งนี่ยเราก็ปฏิบัติธรรมก็ต้องธรรมะทางนั้นแหละเราเกิดมีความเพียรเราฟังปาตกถาบรรยายธรรมชักจะเพลียและเกิดเพียรพยายามฟังมีความอดทนขึ้นมาเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมมีขันติมีวิริยะเราก็ต้องปฏิบัติให้มันได้ผลยิ่งขึ้นเอาแค่มีความเพียร มีขันติอดทนไม่พอหรอกต้องให้เกิดปัญญาเออเราฟังไปก็พิจารณาเอาโยนิสโสมนสิการมาใช้ด้วยให้เกิดปัญญามันก็ปฏิบัติทําได้ผลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งเรารู้จักปฏิบัติรู้จักใช้องค์ธรรมต่างๆเหล่านี้มันก็ยิ่งปฏิบัติได้ผลมากขึ้นนั่นก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีความสามารถในการปฏิบัติแค่ไหนใช่ไหมต้องเก่งถ้าจึงเน้นเรื่องโยนิสโสมนสิการเพราะโยนิสโสมนสิการนี่เป็นตัวที่ นำจิตไปเลยเดินจิตไปในทางที่ถ้าได้ผลนั่นเองเรื่องที่มาาันไรเราก็พลิกให้มันดีไปได้นะีอย่างที่เคยยกตัวอย่างบ่อยบ่อยคุณหมอพยาบาลเห็นคนไข้ามาหน้าบึง้งพูดก็ไม่พูดด้วยเอ้พูดทำหน้าอย่างนี้เราไม่ชอบเราก็โกรธเป็นเหมือนกันก็โกรธนะีแต่ทีนี้พอใช้อยู่ในสมรจิการเออคนไข้คนนี้หน้าบึง้งพูดด้วยก็ไม่พูดหน้าก็มีทุกข์มาก เขาคงมีอารมณ์ค้างทางบ้านอาจจะไม่ค่อยมีเงินใช้อาจจะเป็นห่วงลูกว่าถ้าเราเจ็บไข้ไม่สบายนี่ลูกจะเป็นยังไงจะมีตังค์ได้เราเรียนศึกษาต่อหรือเปล่าเราจะเป็นโลกเล็กหรือโลกใหญ่ถ้าโรกใหญ่แล้วเนี่ยลูกเราอาจจะต้องออกจากโรงเรียนเลยโอ๊ยเขาอาจจะคิดมากทุกข์หนักเลยแทนที่จะโกรธเขาเลยสงสารใช่หพอสงสารแล้วก็ทีนี้ก็ทาให้คิดแก้ปัญหา ก็เลยถามไทยว่าเออเธอมีอะไรเป็นทุกข์อะไรหรือเปล่าอะไรแต่หาทางแก้ปัญหาให้กลายเป็นดีไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละคุณธรรมก็มาแทนอยู่ในสมรจิการเกิดขึ้นในใจแล้วออกสู่การปฏิบัติเป็นพรหมวิหารสีประเด็เลยเป็นสังหาวัตถุประเด็นเลยนั้นอยู่ที่ว่าต้องฝึกให้กระบวนการของระบบสีสมาธิปัญญาเนะี่ยควบคู่มาหนุนกันไปให้กระบวนการนี้เดินหน้า แล้วตัวสำคัญในระบบของมันเนี่ยก็คื อ, อยนิสสมมราฐิกาเนี่ยเป็นตัวที่แจกช่วยเราได้มากสถานการณ์ต่างๆแก้ได้ด้วยอยอนิสสมมราฐิกาพลิกร้ายกลายเป็นดีที่ดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอ้าวตอบหรือยังพอจะใช้ได้ไหมขอเรียนเชิญเลยนะครับเป็นคำถามสุดท้ายครับท่านเจ้าคุณนะครับพระบิสุทุกลูกรวมทั้งทงางวงนะครับผมวิทยาจากมหาจุฬาลงกร ประจัยบิดกุศลและเป็นคนข้างวัดนะครับอยากเรียนถามท่านเจ้าคุณนะครับภาพรวมสังคมไทยในขณะนี้เสมือนว่าขาดศูนยัลย์หรือธรรมาชาติธรรมะนะครับมีการแปลงเปลแปลงอางที่ท่า น, จานเจ้าคุณเคยกล่าวไว้ในขณะนี้ถ้าพุทีเจ้ามาตัดสอนทั้งสองฝ่ายก็อาจจะไม่ฟังเลยนะครับผมก็เล ย, เลยเจะกลับเรียนถามท่านเจ้าคุณนะครับมีหลักธรรมใดหรือหลักธรรมข้อใดที่จูงใจให้ ผู้คนในสังคมเกิดกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะที่เป็นสัมมาทิฏฐินะครับขอบคุณครับอย่างน้อยก็มีเียคุณธรรมทางสังคมเมตตาความปรารถนาดีต่อทุกชีวิตต่อสังคมส่วนรวมอันนี้เป็นฐานหรือจะเรียกว่าเป็นแรงจูงใจเบื้องต้นก็ได้ให้มันมีนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเวลาพิจารณาอะไรก็ต้องตรวจตราตัวเองไม่พิจารณาด้วยความรู้สึกที่เป็นอคติ เมตตามันกลายเป็นลำเอียงรักครั้งหนึ่งและชังครั้งหนึ่งต้องไม่เกิดอันนี้ไม่รักไม่ชังทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เหมือนอย่างการมองสถานการณ์เนี่ยบางทีต้องใจเย็นรอให้ฝุ่นควันมันสงบก่อนบางทีจึงเห็นแต่กำลังฝุ่นจหลบควันคลุ้งอยู่ที่มองไม่เห็นเออทีนี้คนก็ไม่ใจเย็นพอก็อยัง พระนเรศวรมาราชช้างพาพระองค์ฝุ่นตลบไปมองไม่เห็นเลยพอฝุ่นเงียบลงไปปรากฏว่าอยู่กลางกองทัพพม่าแล้วแต่ว่ามีสติก็ใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญาสติมาแล้วปัญญาก็ทํางานถ้าสติไม่มาปัญญาก็ทํางานไม่ได้พ้าสติมาปัญญาทํางานแล้วก็เลยได้ผลแก้ปัญหาไปได้ อันนี้เราก็ต้องมองในสภาพที่สว่างทำไงจะสว่างเวลาเนี้ยก็เรียกได้นะอยู่ในสถานการณ์ที่ฝุ่นควันตลบทำให้คนเนี่ยมองว่าก็เห็นสภาพที่เป็นจริงนั่นก็ต้องทำใจนิดด้วยว่าถ้าเราจะเห็นชัดเจนจะต้องให้ฝุ่นควันมันสงบและยังไม่สงบเราจะทำไงเราต้องวางใจให้ดีระวังอย่าให้เอนเอียงไปง่ายๆ แต่ว่าอย่างน้อยรักษาสถานการณ์ให้มันเรียบร้อยสงบไว้ก่อนนะคือในขณะที่ยังแก้ปัญหาตรงตรงไม่ได้เนี่ยต้องรักษาสถานการณ์ไม่ให้มันมีอะไรที่มันเสียหายร้ายแรงลงไปให้มันผ่านจุดนี้ไปได้ก่อนเพื่อให้ไปถึงจุดที่ว่าจะฝุ่นควันที่ตลบมันสงบไปได้นะแล้วทีนี้เราก็จะค่อยๆเห็นอะไรขึ้นมาครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้เวลากับพวกเราเกือบสามชั่วโมงแล้วนะครับก็เป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่นะครับหลังจากช่วงสุดท้ายจะให้ทางเจ้าภาพคืออาจารย์แพทย์หิคุณสาครธนามิตรได้กรุณากล่าวขอบคุณนะครับ